เราอดอาหารมีเวลามากมีขันติความอดทนติตเราก็ดีขึ้นความเพียรของเราก็สม่ำเสมอสิ่งเหล่านี้เราต้องสังเกตไม่ใช่อดอาหารเพื่อให้สาเร็จมรรคผลเย็ดกดอาหารก็เพื่อดูใจของตนเอง ไม่อดจะเลยร่างกายมันทับถมมันลังมาอยู่มันคลึกมันขนองถ้าอดอาหารอดนอนผ่อนอาหารเราก็ทำความพักเพียงให้ดีขึ้นอันนี้เราต้องสังเกตไม่ใช่อดอาหารเพื่อให้หิวเฉย อดอาหารเพื่อทำความภาคเพียนถ้าอดอาหารเพื่อใดสำเร็จมรรคผลพระพุทธเจ้าทรันอดมาก่อนพวกเราแล้วควาเพนพุกกะกิริยาถึงสี่สิก้าวันขันาเป็นอัตต์ยิลมัทธาถ้าหากว่าถ้าทำย่อนลงไปหล่ากามสุขันลิก า, าทาสายกลางลมัชิมาปฏิปทา แต่ว่ามัชชิมาปฏิปทาควาว่าสายกลางเนี่ยเราจะเอาไหนเป็นจุดว่าสายกลางกินตามปกตินอนตามปกติทำความเพียนตามปกติอย่างนั้นเหรอแล้วจิตใจมันเป็นยังไงมันเป็นสายกลางด้วยหรือเปล่ากิเลสมันเป็นสายกลางด้วยหรือเปล่าอันนี้เรามันมีแต่มองข้างนอก คำว่าสายกลางนั้นคืออะไรเราไม่ได้มองดูด้านจิตใจถ้าเรามองทางด้านจิตใจน่เลยเราทําสายกลางกินแบบมากๆนอนแบบมากมากพูดแบบมากๆคุกทีหมู่แบบมากมากใจของเราภาวนาแล้วส ต, ติของเราดีขึ้นปัญญาของเราคล่องแคล่วขึ้นอย่างเนี้ยมันก็จะว่ามัจจิมาถูกต้อง อันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นถ้าทำรสสัตยะอย่างนั้นมันมีแต่ว่าไปทางเร็วนั่นแนะ่ะเป็นการมัสุขันธิการดังนั้นพวกเราให้สังเกตที่อุบาจานทร์ที่หลวงตาท่านอุบาจานทร์สายหลวงปู่มั่นท่านแนะนำให้อดนอนผอนอาหารม่อดอาหารอย่างนี้ต้องดูสังเกตตัวเอง ถ้าว่าจิตใจของเรามีความเข้มแข็งขึ้นสติของเราต่อเนื่องขึ้นจิตใจพิจารณาปัญญารู้สึกว่าไปได้ดีอันนั้นหละคือมัชชิมาเราจะไปมองถึงการเป็นอยู่แบบสับของลงต า, าแบบหมูขึ้นเขียงงั้นอันนั้นเลยว่าแบบกรารมัสุขันลิกาโดยตัวเองแ่บสายกลางนั่นแหละ แต่ทำแล้วมันเป็นการมัสุขันลิกาลงมันมันย้อนมันไปทางตำมันไม่สามารถที่จะมองเห็นสัจจคือของจริงขึ้นมาในจิตใจได้สมาธิที่มันไม่เกิดกม่ก็จะไม่เกิดที่เกิดขึ้นแล้วมันก็จะเสื่อม น, น, นั้นท่านจึงให้เล่งความภาคเพียบรบังคับ ผมไม่มองเห็นจุดใดเลยที่ว่าจะจิตใจจิต ด, ดิบดีขึ้นมาได้นอกจากการบังคับตนเองผมพูดได้ชัดๆอย่างนั้นเลยแหะเางั้นบังคับตนเองนะไม่ต้องบังคับคนอื่นบังคับความคิดของตอนเองบังคับการเป็นอยู่ของตอนเองเออทุกสิ่งทุกอย่างต้องให้อยู่ในความบังคับอือ ความาบังคับคำนี hmm. looking, atter, mm ้ไ hmm. ม่ใช่ว่าเราก็จะทําเกินขอบเขตไม่ใช่บังคับขึ้นต้นไม้กระโดดออกมาคอหากตายไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นโง่บังคับแค่แค่ว่าให้อยู่ในกรอบเรื่องให้คิดในกรอบให้พูดในกรอบให้ทําในกรอบอย่าไปทําสิ่งไหนที่มันนอกรูนออกทางจนเกินไปอย่าไปพูดสิ่งไหนที่คุกครีตีโมงมากจนเกินไปอย่าไปคิดอะไรเปิดเตลิดเปิดเปิงจน หาที่จุดที่ยับยั้งไม่ได้ก็อย่างที่คราวที่แล้วเนี่ยบอกเรียนหมูให้ทราบว่บาบังคับข้าพเจ้าจะให้มีสติอยู่กับตัวเองตลอดเวลาเนี่ยเป็นการบังคับมันเพล่ไปกระดึงกลับมามันเพล่ไปกระดึงกลับมาถ้าไม่ใช่บังคับจะว่าบังคับไปจะว่าดอะไรบังคับนะพอบังคับมันดู อยู่กับสติสติเข้มแข็งขึ้นไม่อยู่กับตัวเลยจตัว เ, เกียรติมันอยู่กับตัวเลยรมันไม่พุ่งไปทางอื่นนี่แหละการบังคับตนเองเออการบังคับความคิดแล้วแต่การบังคับความพูดพูดน้อยต่อยมากสําหรับนักปฏิบัติออไปที่ไหนมีแต่พูดพัวอวดคุยเรื่องสปเปรเฮะละ อ, อไม่มีขอบเขตนเนละ มันจะไปตามนั้นอารม์เพราะนั้นคําพูดก็ต้องบังคับตนเองการกระทำก็ต้องบังคับตนเองอืมว่านักปฏิบัตินักกรรมฐานผู้เจาะแสวงหาทางคนทุกต้องบังคับตนเองนะทําให้บังคับตนเองมันดีไม่ได้อปล่อยตามมาถ้าใจรวยมากใจมันชอบไหลลงทางตามอย่างที่เคยพูดให้ฟังมาลูกกี่ครั้ง ทางไหนไปทางต่ำไม่ชอบไหลไปทางนั้นแนหะใจกิเลสนะเพราะนั้นต้องบังคับ mm hmm. การ บ, างรบังคับเท่านั้นแหละจึงจะเลิศเผริญขึ้นมาได้พวกเราที่อดอาหารผอนอาหารอดนอนหรือทําความผาาเปรียนเนี่ยกระโดยมากก็คือบังคับตนเอง mm hmm. อจะไปบังคับคนอื่นนะะบังคับตนเองนะั่นเหตุผลลงจุดนี้แล้วเราก็ต้องทําตามจุดนั้นเป็นไปอย่างอื่นไม่ได้หรือการบังคับให้เดินยังก้มอย่างนี้ การเดินยงคมตัวเฉพาะอย่างยิ่งพ้าน้อยผ้านุ่มสมัมมเนนอย่ามองข้ามไม่ได้เรื่องการเดินยงคมเรื่องการเดินยงกรมเป็นจุดที่สําหรับนักปฏิบัตินักภาวนาแล้วต้องดูจุดทางยิงคมเป็นหลักถ้าเห็นทางยงคมเศร้ามองระยาเลยคนนั้นพระองค์นั้นกํากลังจะเข้าหีบนล้จะเข้ากําลังจะเข้าลงแล้วกําลังจะเข้าหีบศพแล้วแต่ถ้าองค์ใด มีความภาคเพียรมีการเดินยืนกรมจนทางเป็นมันแล้วเออนั่นอะ่ะให้เข้ า, าเริ่มเริ่มว่าเป็นนักต่อสู้อย่างโมเด็ดตีนขาไม่ต้องมองที่อื่นเพราะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงอืไปดูที่ใดก็ตามท่านมองทางเดินยืนกรมต้องพยายามเดินอย่างน้อยวันละครั้งสองสามครั้งอืเดินโดยยืนรกรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระน้อยหนุ่มนะ อย่างโรงตาท่านก็นยังเดินท่านก็นมาพูดให้ฟังเนี่ยเมื่อคราวที่แล้วว่าท่านว่าเดินวันละชั่วโมงครึ่งข น, นาดแปดสิบกว่าปีขนาดท่านเป็นเป็นผู้มีคลังสมบัติในจิตใจแล้วท่านยังขยันในขนาดนั้น เ, นเหมือนกเกษตรฐีนี่ยเกษฐีถ้าท่านมีทรัพย์แล้วท่านก็นยิ่งขยันเพราะรายได้ของท่านเป็นมายังไงยังไงยังไงไอคนที่ จนอยู่แล้วหาข้าวจะก อ, อกหม้อไม่ได้แก็ยิ่งขี้เกียจเปรียบเทียบได้กับพวกเร า, เร า, เ, ราเราท่านทางหลายเนี่ยหาสมาธิเกิดในใจก็ไม่ได้ก็ยิ่งนอนจมนอนใจกินแล้วก็นอนไม่ได้คิดแต่อ่านอะไร อ, ะอันนี้เรียกว่าใช้ไม่ได้เพราะนั้นพวกเราต้องคิดนะพยายามเดิน เดินอยู่กรงก็มานั่งภาวนาเดินอยู่กรงก็ไม่ใช่อื่นไงเดินย่าง ก, ก็เพื่อภาวนามีสติในการเดินเดินไปแบบภาวนาไปบังคับจิตบังคับกายบังคับใจให้มันอยู่กับตัวเองในการเคลื่อนไหวหมุนซ้ายหมุนขวาก้าวเดินไม่มีสติในการก้าวในการเดินเวลาเดินอย่าเอามือควยหลังอย่าไปเอามือกอดอก เอามือประสานกันเหมือนกับพระยืนท่าลำพึงเราคงเคยเห็นพระพุทธรูปฟางลำพึงเอามือประสานที่ตรงท้องน้อยประสานอยู่งั้นแล้วก็เดินยมกลมก้าวไปถึงจุดแล้วก็กลับมาก้าวไปถึงจุดแล้วก็กลับมาแต่จะไปกาหนดทางสั้นเกินไปมันเวียนสีษะอย่าไปทำ เดินเตรอเปิดเปิงยาวเกินไปก็ไม่ดีอีกเดินให้ทางกาหนดไว้ทางเดินยิงกรมก็มีอยู่แล้วตามกุติถ้าหางว่าผมเป็นผู้กาหนดก็ไม่ต่ำกว่า19บ้าเก้าแต่ก็ไม่น่าจะเกินสามสบทางเดินยิงกรมอันนั้นพอเหมาะพอดีเวลาเราเดินก็อ้าวจุดไฟให้สว่างพอสมควรถ้าเป็นกลางคืนถ้าเป็นกลางวันผมร่มแล้วก็เดินละ่ะ อดอาหารี่มีเวลาเต็มที่อือดอาหารมีตะนอน่ไม่ได้เรื่องเลยในตะนอนเท่านั้นในตะอดอาหารได้แต่หิวล้วกตนอนนั่นนะอ่าจิตใจมันไม่ได้ก้าวหน้าอดอย่างนั้นอดหาสระหาประโยชน์ไม่ได้อดเข้าขั้นอยู่ว่ากามัสุขันลิกาอดเพื่ออุดโลกอดทสงสารมาตัวเองได้อดอาหารใช้ไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้อดเพื่อความความภาพเทียน ปวตอาหารก็ต้องตง้นเช้ามันเดินยมกรมนั่งภาวนานั่งให้มากทั้งเกจตูจิตใจของตอนเองวันนี้เป็นยังไบงบังคับจิตใจให้อยู่กับตัวเองอย่าให้มันเผลอไผลไ ป, ไปทางอื่นอืนี่แหละนี่ว่าการเดินจงกรมออกจากเดินยมกรมกลับขึ้นมาก็นั่งบังคับในการนั่งอใส่สติอยู่กับตัวเอง พุทโธพุทโธพุทโ ธ, ทธหายใจเข้าออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอย่างนั้นแล้วจะเกิดจพิจนาฬาก็ยังคอยพี่เจรานาแตาพี่นาเอาเอาขามันอยู่กับตัวเองอฮะวิธีหลายวิธีนการจับจิตของตนเองอพอบพุทธเจ้าท่านวางไว้กรรมาฐานสี่สิบนะเราก็ศึกษาก็พอจะรู้เรื่องได้ แต่ครูบาอาจารย์ของเราท่านก็นให้กำหนดภาวนาลมหายใจเข้าหายใจออก้ละเป็นหลักพุโทโธเนี่ยแต่ถ้ า, าว่าเราเพิจารณาภาวนาพุโทโธแล้วใจของเราเป็นยังไงอันนี้เราก็รู้ว่าใจมันไม่สงบใจบนันทีช่องว่างอยู่เราก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธพุทโธให้ทียิบทุกขณะที่มันจิตมันจะคิดแยบออกไปนั่นแหะ ให้พยายามดูจิตแล้วก็พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไม่ต้องพูดออกเสียงนะให้อยู่ในใจบริกรรมในใจพุโทโธพุธโทโธให้มีสติอยู่ในนั้นมันจะไปยังไงมัน ม, ม, มีช่องออกก็คือเข้าสู่ความสงบได้นอกจากนั้นเราก็เปลี่ยนบรรยากาศเราเคยนั่งตรงไหนเราเดินนั่งอยู่ในห้องเราก็ขยับนั่งงอกห้องดูสินั่งไตทุนดูสิ ไปนั่งตรงไหนบริเวณกุฏิเออแล้วก็จุดยากันยุงเอาไว้ถ้ากลัวยุงถ้ามันมียุงถ้ามันมียุงถ้าไม่มียุงอา่านั่งภาวนาเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่ออย่าไปนั่งสับพงกงกงันอยู่ที่เก่าบางคนเน่ยนั่งอยู่ที่ไหนก็นั่งอยู่ที่เก่ามันอากาศมันทึบมันก็ง่วงนั่งอยู่งั่นเอนั่งรับไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะนั้นการภาวนามันก็ต้องดูสังเกตตัวเองนั่นแหะการนั่งยังไงทําที่ไหนสมมติวันเราห่มผ้ามันเป็นยังไงมันอุ่นเกินไปเอา้าเปิดผ้าออกนั่งตามลําพังดูเป็นยังไงเออสึ่งเหล่านี้จะให้สอนทุกแง่ทุกมุมเป็นไปไม่ได้มีแต่แนะแนวเท่านั้นเองพวกเราเท่านั้นเองจะเป็นผู้สังเกตตัวเองในการนัง่งว่าผลมันเกิดมาอย่างไร ในเมื่อการประพุตปฏิบัติแต่ละขั้นตอนรวนมากมีความหมายทั้งนั้นแหละแต่ขนาดนั่งในกุฏิตัวเองนะวันนี้เรานั่งไปทางหัวนอนทางหมอนของเราวันหนึ่งเรานั่งออกไปทางข้างข้างใดข้างหนึ่งหรือมุมใดมุมหนึ่งหร้ขยับไปนั่งที่ทางใดทางหนึ่งในกุฏิแคบๆอารมณ์มันยังเปลี่ยนแปลงไปได้ อให้เราสังเกตดูก็แล้วกันนี่แหละการประพฤติปฏิบัติให้สังเกตตนเองถึงขนาดนั้นน่ะไม่ใช่ว่าเราเคยทยํายังไงก็ทําอย่างเก่าเว้นเสียจะได้ทําอย่างเก่าไม่ได้ผลทําอย่างเก่าไมด้ผลเอออันนะั้นควรทําอย่างนั้นควรต่อเนื่องควรสืบเนื่องควรทําให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าทําอย่างนั้นแล้วมันไม่ได้ผลเราก็คอรสังเกตเปลี่ยนแปลงตนเอง เปลี่ยนแปลงสถานที่นั่งในสังเกตตัวเองนั่นอ่ะการประพฤติปฏิบัติอย่างผมเคยเที่ยวในป่าไปภาวนาไปอยู่ตามลําพังไปบินธบาดองค์เดียวออกจากที่พักไปมันก็เป็นทางไกลเป็นทางเปรี่ยวมันเป็นป่าดงเป็นทางเปลี่ย ว, ลยวแล้วก็ไปถึงทางระหว่างหมู่บ้านเขา หมู่บ้านเขาก็ไม่ค่อยมีรถมีลาหรอกเขาบ้านนอกแต่มีคนนานๆจะมีคนเดินผ่านทีนึงแต่โดยมากตอนเช้าจะไม่มีคนผ่านเพราะเป็นหมู่บ้านระหว่างกันจากนั้นเราได้เวลาแล้วก็ตอนเช้ามืดพอสว่างแล้วก็เอาบาทขึ้นบาแล้วครับตั้งแต่ก้าวแรกเลยวันนี้เราจะให้มีสติทุก ก้าวเดินให้มีความรู้สึกอยู่กับตัวเองตลอดเวลาถึงจะไม่ก้าวเดินก็ให้มีสติอยู่กับตัวเองตลอดเวลาไม่ให้มันเผลอไปที่อื่นบังคับเลยเนี่จากนั้นก็ก้าวเดินออกไปบินทบาทพุโทโธพุโทโธพุโทพโธให้มีสติในการก้าวเดินมีสติอยู่กับตัวเองพอเข้าไปถึงหมู่บ้านหมู่บ้านนั้นก็ใส่บาทประมาณสักสิบกว่าลังคาเนมะ ติดฟังโค่เน่ะแถวมาบ้านปักมั่งที่ไปบินทบาดบ้านสมัยนั้นเป็นบ้านเล็กๆไม่กี่หลังคาเข้าไปกับพอไปเจอคนน่ะใจมันป๊บออกไปเลยเน๊อพอได้ยินเสียงคนเสียงมันป๊บออกไปทางหูเนยเขาพูดเรื่องอะไรเออแต่ก่อนเราก็ไม่ได้สังเกต แต่พอค่าวนี้มันเอ า, บ, าบังคับมันรู้ได้เลยว่ามันออกไปทางไหนทีนี้พอมันออกทางตาพอมันเห็นคนปั๊บมันก็คิดปั๊บออออกไปเป็นตลดตลบตลบไปเลยแล้วออกทางหูปั๊บมันหมูปั๊บด้ยินเสียงอะไรเออทีนี้พอได้เห็นทางตาก็ตามได้ยินทางหูก็ตามพยายามดึงมาให้มันอยู่กับตัวให้มันมีสติอยู่กับตัวอ่า ถึงจะออกไปก็ตามพยายามดึงมาเพราะว่าเอาสติอยู่กับตัวเองไว้เลยนีอเดินไปรับบิณฑบาตวันนั้นคนก็ใส่บาตรนั่นนะประมาณเก้าหรือสิบคนนี่แหละพอจากนั้นมากระเดินบิณฑบาตกลับพ้นหมู่บ้านมาอารมณ์ที่มันออกทางตา ก, กับทางหูนั่นนะ่ะมันก็ไม่มีแล้วทีนี้พราะมันพ้นหมู่บ้านมาแล้ว นี้ก็เดินมาเขามีสต um ิในการก้าวเดินพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธมาเรื่อยๆจากนั้นก็เข้ามาทางแยกเพราะทางแยกมันเป็นป่าป่าดงสลับป่าเหล่าบ้างมันมีต้นไม้บ้างมีป่าที่เขาทําเป็นไร่บ้างแต่ไม่มีทางคนทางมีแต่ทางคนไปหาไร่ของเขาเขาไม่ไปเราไปตกหน้าแรงแล้วเราก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธมาเรื่อยๆเออมาโว ขณะที่ใจเข้าไปในหมู่บ้านนะ่ะมันทำไมมันบล็อกแคว้นมันรับรู้รับทราบเรื่องต่างๆออกทางตาออกทางหูออใจของเราเนี่ยมันมันออกไปอย่างนั้นเองนะใครเข้าัดมันใครเข้ามมีความลำพึงขึ้นมาส่วนลึกๆว่า ง, งั้นอืมมันใครเข้าบ่ดจับจิตตัวเองมองจิตตัวเองแล้วมันคิดเรื่องอะัรในความรู้สึกขณะนั้นนะ่ะมันทั อมันคล้ายๆมันจะว่าอย่างไงมันป๊บปว่างันคถอะว่าเลยแต่มันป๊บปว่างั้นเถอขาแล้วมันหยุดก้าวเดินทันทีขาหยุดหยุดเดินเหมือนอยู่ในป่านะเงียบๆองเดียวขาหยุดป๊อพอหยุดปั๊บแล้วมันเหมือนกับกระบอกไม้ไผ่กระบอกหนึ่งว่างันเออเป็นกระบอกไม้ไผ่กระบอกหนึ่งแต่ในกระบอกไม้ไผ่นั้นมันมีมีรูอยู่ สี่ห้ารูงั้นเถอะเออมีอยู่สีห้ารูแล้วเหมือนกับจะมีหนูแล้วกรแตอย่างนะ้นกระรอกอย่างนั้นสัตตัวหนึ่งอยู่ในนั้ น, นอยู่ใ น, ใ น, ในกระบอกไม้ไผ่อยู่ข้างในไม้ไผ่มันจะวิ่งป๊อสองปัสองเออรูของมันน่ะมันมีอยู่เหมือนกับหน้าต่างสีห้าหน้าต่างสองหน้าต่างนั้นป๊สองหน้าต่างมีป๊อปป๊อปดูนโอ้โหมันลักษณะมันมันยุ่งแล้วกเกิดเหมือนั้นเ่อะ ในความรู้สึกในขณะนั้นเมันส่องออกไปทางปักกระบอกไม่ไผ่ที่มันทะลุมีอยู่ห้าทีห้าช่องเออมันจุงเหลือเกินเอจักตัวนั้นมางั้นพอที่ในกำหนดดูป๊บกำหนดดูสัตว์ตัวนั้ น, น, นมันใจมันวับลงเลยทีนีน้นิ่งเป็นหนึ่งเลยเ อ, อ่สติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทีนี้ อไม่เผลอว่างั้นเถอะสติเป็นอันใดจิตเป็นนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นนั้นยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นอ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่จากนั้นมันก็ถอนวับออกมาออกมากบบจิตใจแบบเป็นปกติมีความเย็นใจอย่างมากมีความสุขอย่างมากเอพอไปกับดเดินไปได้ก็รู้สึกว่าจิตใจเหมือนกับ อะไรอ่าเป็นจิตใจที่ปลอดโปรง่งโล่งสบายแค่แค่ว่าไม่มีอะไรครอบคุมอะไรอย่างนั้นลักขณะอย่างนั้นนะพอไปฉันจังหันแล้วกใจก็สบายพักพอ น, นอนอะไรก็สบายเราโอ้จิตใจสงบนมสบายจริงๆโอ้อยู่เป็นอยู่อย่างนั้นนานพอสมควรทสร็จ้มาย้อนดูขณะที่ ที่มันอยู่ในกระบอกไม้ไผ่นั่นนะคล้ายๆถ้าจะว่าไปแล้วก็รู้แต่และรู้เนี่ย ค, คือรู้ตาใจมันออกไปรับอารมณ์ทางตาใจออกไปรับอารมณ์ทางหูใจออกไปรับอารมณ์ทางจมูกทางลิ้นทางกายมันเหมือนกับใจของเราเนี่ยมันออกไปรับอารมณ์จากสิ่งเหล่านั้น จากกระบอกเหล่านั้นจากหน้าต่างเหล่านั้นตาเห็นรูปปุ๊บมันก็ออกไปวาดพโนภาพออกมาเป็นยังไงยังไงหูได้ยินเสียงปุ๊บเออมันเขาพันกัล ก, กองเขาพูดเรื่องอะไรเรื่องอะไรเอมันเสียงลักษณะอย่างไรอ่ามันออกไปจับใจทั้งหมดนี่แหละอ่าผมยืนยันได้เลยว่าขณะที่เดินยังกรมจิตสงบได้จิตสงบเป็นหนึ่งได้ แต่ว่าก่อนที่จะจิตสงบนั้นไม่ใช่ว่าจะไปจิตสงบในถนนอย่าไปคิดอย่างนั้นจะจ ะ, จะไปอย่าไปคิดว่ามัน จ, จิตสงบในที่วุ่นวายใสแสจิตที่มันเข้าสู่ความสงบได้เนี่ยมันต้องดูความรอบคอบดูความปลอดภัยจิตจะเข้าสู่ความสงบในจุดนั้นนะ่ะมันไม่ใช่ว่าจิตแบบโง่โง่เถเธอเส่อเสื่อสะนะความปลอดภัยมันพร้อมทุกอย่างมันพร้อมที่จะวางตัวลงได้ให้มันสงบได้ เนี่ยพราะเข้าไปอยู่ในป่าอย่างงั้นไม่มีภัยไม่มีอันตรายไม่มีอะไรแล้วเหือนเดินเข้าไปอยู่ตามลาพังอ่าก็ไปสู่ที่พักตัวเองอยังไม่มีใครผ่านมาอยู่แล้วกระด้าีแยบบมันจะงบปุ๊บลงไปมันเป็นไปได้เพราะความปลอดภัยมันพร้อมไม่มีอะไรเหมือนกับเราเดินยังกลมในที่จงกลมของเราถ้าเรากําหนดพิจารณาเนี่จะเข้าสู่ความสงบได้ เรื่องจิตสงบเยือเกเย็นไปหลายวันนัดธิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเพียงสงบระงับดับกิเลสลงชั่วขณะเท่านั้นเองเราก็ยังว่าโอ้โหมีความสุขจริงๆจิตสงบนะเพราะนั้นอยากจะให้หมู่เพื่อนตี่ปฏิบัติพยายามทำให้สงบให้ได้หรือยิ่งกว่านั้นเมื่อสงบ จิตขึ้นมาแล้วก็ถอนมาพิจารณาทางด้านปัญญาต่อไปหน่วยทําให้จิตใจมีกําลังสรุปแล้วก็คือการบังคับเหมือนกันบังคับให้อยู่ตัวเองเพราะฉะนั้นในการที่จะรู้เรื่องอะไรก็ตามที่ผมปฏิบัติมาเนี่ยผมมี่จุดบังคับทางนั้นนะไม่ได้จุดแบบตามสบายแล้วก็รู้เห็นสิ่งต่างๆขึ้นมาเนี่ยผมยังไม่เคยนะ โดยมากมีจะบังคับตนเองจึงจึงจะรู้เห็นได้สมัยหนึ่งก็ไปอยู่เนี่ยหลังภูพา น, นยอยู่ในถ้ำจะว่าถ้าก็ใช่เพราะมันเป็นหินเป็ น, เ, ปนเพิงอะ่ะทีแรกก็ไปนั่งอยู่ข้างล่างอยู่ใต้บอ่อน้ำอยู่ในกลางลานหินพอตกกลางคืนมาไปเห็นไอ้งูอะ่ะกระปะนะ๋านโตขนาดกระบอกไฟสาย เ, ยเป็นลักษณะสามเหลี่ยม สีดำปิดยาวประมาณสอกกว่าอู้เขาว่างูชนิดเนี้ยเป็นงูกระปะทามันได้ฉกเข้าไปแล้วก็ทำให้ขาเน่าเปื่อยได้ตัดขาทิ้งได้เราเห็นแล้วก็เรา เ, เสียวๆมันกันนะโอ้ถ้าเราอยู่ตามลำพังองค์เดียวถ้ามันงูกัดอย่างเนี้ยเนีเราก็มันก็คงใจแย่เนี่เราก็ยังใจของเรายังไม่หมดกิเลสนี่วะวะก็เลย ให้เขาไปทําแคร์ขึ้นมาอยู่ในเพิงถ้ำเป็นเพลิงหมาเห็นนะ่ะก้อนหินก้อนแต่กระที่แคบๆประมาณสักแขนกว่ามั้งแล้วก็หาไม้ไผ่มาวางๆแล้วเอาเพราะมันหาฝากไม่ได้ก็เลยเอาหาฟางน่นนะปูปูปู ป, ป, ปูจากนั้นเอาเสือปูการกดกับแบบยากๆก็มั่งงั้นแทําในกลางก็ไม่ได้เพรเราไปในป่าเนี่ยต้องกลางมุ้ง ตัวยุงกัดมันเกิเป็นไข้มาลาเรียแล้วครับมันก็ไม่ใช่ผลดีกลางกดเจ็ดเรียบร้อยกับนั่งภาวนาตอนเช้าบินธบาตมาชั้นชั้นเซเข้ามาเดินยิงกรมเดินยิงกรมขันนั่งนั่งเดินเดินแล้วก็นั่งพุทโธองค์เดียวเนี่ยก็มีอริยาบทยืนเดินนั่งเท่านั้นเองคันเหนื่อยมากก็พักก่อนแต่นั้นก็อดอาหารตามลำพังไปอดอาหารบางทีสั้งสามวันบ้างเจ็ดวันบ้างแต่อดอาหาร อยู่ในป่าอย่างนั้นอดอาหารไม่ได้นานหรอกเพราะว่าน้ําตรงน้ําตาลมันไม่มีพออดอาหารสักเจ็ดวันเขาสิ่จะเพลียมากกว่าการอดอาหารในวัดนะอดอาหารในวัดของเราจะมีน้ําตรงน้ําตาลเสริมบ้างแต่อยู่อย่างนั้นมีแต่น้ำํำเปล่าอืหรือน้ําธรรมดาประมาณเจ็ดวันหกวันเจ็ดวันแต่คราวนั้นถ้าจะไม่ผีพระอดอาหารได้สามวันอดอาหารได้สามวันพออดวันที่สามแล้วก็ นั่งตื่นเช้ามาก็ น, นั่งภาวนาอวันนี้เราจะพิจารณาร่างกายเราจะพิจารณากระดูกเท่านั้นวันนี้เราจะพิจารนากําหนดกระดูกตั้งแต่กระโหลกศีรษะจนถึงกระดูกปลายเล็บนิ้วเท้าของเราแล้วก็จะพิาจารณาย้อนจากปลายนิ้วเท้าคุณมาอจนถึงกระโหลกศีรษะจากนั้นก็กําหนดภาวนานั่งตั้งแต่ยังไม่สว่างดีวันนั้น แสงพระอาทิตย์จ้าขึ้นมานั่ น, นพอนั่งกำหนดจากนั้นคนที่จะนาหลายครั้งหลายหนในร่างกายในดูประดกจากนั้นกำหนดดูกระโหลกศีรษะตัวเองพอกำหนดดูกะโหลกศีรษะฉะนั้นเหมือนกับไฟฉายสี่ห้าฐานเหมือนกันเ่ะมันเกิดแสงสว่างปบ ขึ้นมาโอใครมาใครกำ ม, มันมันมันแสงสว่างว่ามาสายที่กระโหลกศีรษะตัวเองเห็นได้ชัดขาวโพลนเลยอ่าเห็นกระโหลกตัวเองเป็นกระดูกทั้งหมดตาโหเลยแล้วก็เห็นกระดูกชัดเจนในความรู้สึกอย่างโอ้กระโหลกข้องคนเป็นอย่างนี้เองนะเราของกระโหลกของเรานเป็นอย่างนี้เองน่ะ เห็นได้ชัดเจนสักช่วระยะหนึ่งมันก็ป๊อกเข่าปกติแต่มันก็ยังเป็นนิมิตติดตาอยู่ตลอดในขณะที่ออกจากสมาธิค่อยๆกันในความรู้สึกมันก็ยังเห็นอยู่นะมันค่ยอยๆแบบเยกว่านิมิตติดตาเหมือนกันคถอะในความรู้สึกมันยังติดอยู่ในใจว่าในช่วงนั้นเราเห็นกะโหลกมันลักษณะอย่างไงทำไมมันเห็นชัดขนาดนั้นที่เราเห็นด้วยความคิดเห็นด้วยสัจยา เห็นด้วยอะไรก็ตามมันไม่ชัดเหมือนกับคราวนั้นครั้งนั้นมันรู้สึกมันชัดจริงๆอในความรู้สึกใครามันติดจิตติดใจจริงๆจากนะนั้นมาวันที่ออกไปบินธบาดพอไปเห็นคนเทานั้นแนหะเห็นคนที่แรกปุ๊บพอเห็นคนนะั้นเห็นกระโหลกศีรษะเขาก่อนเอ้มันแปลกอนะพอเห็นใครเห็นกระโหลกศีรษะเลยเป็นอยู่อย่างนั้นหลายวันพอจมวดจากนั้นมันก็ค่อยๆ ค, ค, ค, ค่อยหายไปสรุปแล้วก็คือ บังคับตนเองอีกเหมือนกันในการปฏิบัติไม่ได้บังคับคนบังคับใจตัวเองให้พิจารณาอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ในขณะนี้เราพิจารณาจุดไหนจะบังคับให้อยู่จุดนั้นอย่าไปทะเลถลอย่าไปให้มันอหลอกตัเองไปเรื่อยๆนี่แหละการประพฤติปฏิบัติในมูลพวกเพื่อนทุกองอ่ะ ให้จริงจังให้เข้มแข็งธรรมะของครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจา้าเนี่ยยังมีโครงเส้นโคงวาอยู่เนีไม่มีไม่ไปไหนละ่ะผู้ปฏิบัติยอมรู้โวยตนเองเลยรู้ในใจตนเองนั่นแหละไม่รู้ไปที่อื่นรู้ในใจของเรานั่นแหะเป็นยังไงถ้างนั้นครูบาอาจารย์ระดับมหาเถระทั้งหลายที่เรากราบไหว้สักการบูชาเนี่ยทําไมท่านจึงอยู่ในป่าเขาลําเนาภัยทําไมท่านอยู่อย่างนั้น ทำไมท่านปฏิบัติอย่างนั้นทั้งที่โลกของเขาสนุกสนานรื่นเริงด้วยการมักคุณห้าเนี่ยลาบยศสรรเสริญ อ, อะไรทุกอย่างแต่ท่านทำไมจึงพอใจในสถานที่เหล่านั้นนี่แหละคือภาคปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นมันออกไปจากใจทั้งหมดสิ่งเหล่านั้นมันเป็นกระแสของใจทั้งหมดมันเป็นเงาของจิตทั้งหมด ใจของเราเป็นผู้เสกสรรปัญญอใจของเราเป็นผู้หลุมหลงใจของเราเป็นผู้อุบลโลกขึ้นมาสิ่งเหล่านั้นมันก็เลยวิเศษวิโสท้าเราดูต้นตอของสิ่งเหล่านั้นทั้งหลายทาั้งปวงนั่นกออกไปจากใจทั้งหมดเพราะนั้นท่านดูที่ใจแก้ที่ใจปรับปรุงที่ใจให้รู้ที่ใจและปล่อยวางที่ใจอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสรูนะ้ท่านวักกามเอ่ย ท่านพูดเยยกามกามเอ่ยเจ้าจะเกิดขึ้นได้เพราะตาริคำหนึ่งถึงนั่นเองตั้งแต่บัดนี้ไปเราจะไม่ตาริคำหนึ่งถึงเจ้าอีกแล้วนะที่ก่อนมันจะเกิดขึ้นมาได้พะจิตข้องเราไปตาริคำหนึ่งถึงไปให้ความสําคัญมันจึงเกิดขึ้นมาได้เนี่ยนนั้นท่านมีสติในตัวนี้แล้วตัวนั้นนก็จะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะมันรู้ทันมันแล้ว ให้พวกเราให้หมุ่งมั่นนะให้บังคับตนเองอย่างที่ว่านั่นนะ่ะเดินจงกรมนั่งภาวนานั่งสมาธิกำหนดอะไรเป็นหลักก็ยึดตัว น, นั้นให้มันหนักแน่นพิ e r าลร่างกายสังขารอย่างที่ผมพูดนั่นแนะ่ะพิ e รณากระดูกก็ให้เป็นกระดูกจริงๆกำหนดดูแต่กระดูกตั้งแต่ กระโลกศีราะลงจนฝ่าเท้าแล้วเรามีความรู้สึกเห็นจุดไหนที่ชัดเจนในความรู้สึกของเราเห็นกระดูกสันหลังกระดูกแขนกระดูกขากระดูกท่อนไหนปะตา่างเราเอาจิตจ่ออยู่กระดูกท่อนนั้นหรือว่ากำหนดอยู่ในจิตหรือกระดูกท่อนนั้นไม่ต้องคิดไปหาท่อนอื่นในเมื่อเราเพิจารณาหลายตลบแล้ว เรากําหนดอยูจ่จุดนั้นนั่นแหละอให้อยู่ในจุดนั้นพิจารณาอยู่จุดนั้นก็เหมือนเรากําหนดลมหายใจเข้าออกนั่นแหละมันก็ไม่ผิดกันมันก็เข้าสู่ความสงบได้อันนี้ท่านว่าปัญญาอบรมสมาธิอย่างที่หลงตาท่านพูดใน เ, เรื่องสมาธิอบรมปัญญ า, อ, าอันนี้เราคกานคิดซะก่อน ปัญญาอบรมสมาธิแต่ตามหลักนี้แต่สมาธิอบรมปัญญาเมื่อจิตสงบแล้วพิจารณาทางด้านปัญญาปัญญาก็แก่กล้าแต่ทำไมปัญญาจึงอบรมสมาธิคือจิตใจที่มันฟุ้งฟุ้งมันคิดเรื่องต่างๆแต่เนี่มันคิดในเรื่องกายไม่ให้มันออกจากกายให้มันอยู่ในกายตลอดไม่ให้มันเผลอไปที่อื่นให้มาอยู่ในกาย จากนั้นก็กําหนดที่เราเห็นชัดเจนในร่างกายเห็นตับไตไส้พุงอะไรก็ได้กระดูกท่อนไหนก็ได้อะไรก็ได้ในร่างกายเห็นหนังจุดไหนก็ได้ที่มันสกกระโกระเราเอาจิตจ่ออยู่จุดนั้นดูจุดนั้นกําหนดอยู่จุดนั้นอคือไม่ให้มันไปที่ไหนไม่ให้มันพุ่งไปที่อื่นจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้อันนี้แหละ ว, ว่าปัญญาอบรมสมาธิเนี่ยแหมหมูเข้าใจ อย่างนี้นะหยิบการพิธีการประพฤติปฏิบัติการนั่งพยายามบังคับตัวเองให้นั่งให้นานก้าหาว่าเราพิจารณาร่างกายหรือบอกกำหนดภาวนาพุโทโอพุทธโอลัคนาร่างกายถ้ามันปวดขึ้นมาปวดจุดใดก็นั้นละเรียกว่าเวทนาในเมื่อมันปวดขึ้นมาแล้วเราจะไปล้ม ง่ายนอนพึงทีเดียวมันก็ไม่ถูกนะเราก็จับตัวที่มันปวดตัวเวทนานั่นอนะ่ะมาพิจารณาอีกที่หนึ่งแล้วมันปวดขาทําไมขานะทําไมมันยังปวดเพราะอะไรเพราะมันมีขาแล้วคนตายมันปวดไหมปวดขาไหมไม่ปวดนะเพราะมันตายแล้วมันเพราะเหตุอะไรจึงไม่ปวดเพราะมันมีความรู้สึกความรู้สึกนั่นคือไข้ มันก็ย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้เข้ามาหาใจเฉยๆนั่นแหละ่ะการพิจารณาเวทนาคือมันก็ต้องออกไปจากใจของเราใจของเราไปรับรู้ในสิ่งต่างๆมันจึงเจ็บมันจึงปวดมันจึงมีความรู้สึกเออทีนี้เราก็พิจารณาเวทนาดิหยุดออกมาไม่ตองพิจารณากายเพราะเวทนามันแทงใจของเราอยู่ตลอดเลยจะจะไม่สู้จะไม่ไหวอ ย, อยู่แล้วนั่งไม่ไหวอยู่แล้วเราจะไปพิจารณากายอย่างไงก็ต้องพิจารณาเวทนาที่จร อจากเวทนามาพิจารณาเลยสิเนี่ยกำหนดพิจารณาเวทนาเลยเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตนของเราเวทนาก็สักพาเวทนามันเกิดขึ้นแล้วกดผ่านไปแล้วกระดับไปเวทนาทางกายเวทนาทางจิตสิพอพิจารณาเวทนาของวิทนารทางกายคือการหิวข้าหายร้อนหนาวอะไรเนี่ยเวทนาทางกายส่วนเวทนาทางจิต ความพอใจไม่ความไม่พอใจความยินดีความยินร้ายที่มันเกิดจากจิต ừ, การผู้อื่นดุดาว่ากาวอารมณ์ที่ไม่พอใจมันทุกข์จิตใจอันนั้นเรียกว่าเวทนาทางจิตเวทนามันมีสองเวทนาทางกายเวทนาทางจิตนี่เราต้องกําหนดดูเวทนาทางจิตมันเป็นยางไงที่มันสิ่งที่มากระทบหรือเรานึกย้อนหลังที่ สมัยไหนที่เราถูกเรื่องที่ความพัดภาคจากไปหรือความปาถนาไม่สมหวังอะไรก็ตากในจุดนั้นนำมาพิจารณาดูขณะนี้เอามาปัดฝุ่นเอามาพิจารณาดูยในขณะนั้นใจของเราที่เป็นทุกข์นี่ยมันเพราะอะไรเวทนาตัวนั้นอะที่มันกระทบ เป็นเพราะอะไรเป็นทุกขเวทนา เ, นเวทนาทางใจเพราะสิ่งเหล่านั้นพัดภาคไปเราไม่อยากจะให้พัดภาคจะมันพัดภาดไปมันพัดภาคไปเพราะอะไรมันเป็นอนิจจ์มันเป็นทุกข์ทุกขังอนิจจ์ของไม่เที่ยงในเมื่อสิ่งไม่ที่มันไม่เที่ยงแล้วเราจะเป็นนั่นนั่นจะเป็นเราได้อย่างไรนี่ นั่นแหละทีนี้มันจะเข้าไปหาจุดตัวผูู้้จุดตัวใจอะไรทีนี้เข้าไปหากลุ่มนั่นแหละทีนี้เข้าไปหาถ้ํามันแหละทีนี้ไปหากองบัญชาการใหญ่มันแหละทีเนี่ยจากนั้นอะเนี่ะนะมันก็ไปดูไปจุดไหนนาไปจุดไหนมันก็จุดแล้วเข็นําเข้ามาจุดนี้มันก็มาจุดดูจุดนี้โธโลโอีก นทำไปทางตาตาไปเห็นรูปเกิดความรู้ขึ้นเป็นเพราะอะไรย้อนกลับมาอีกมันก็มาหาใจทางหูก็จะมาหาใจแปลว่าขันห้าทั้งหลายเนี่ยเอมันเป็นทางเดินของตัววิชาหรือ ต, ตัวใจของเราเนี่ยนะถ้าจังใจยังมีกิเลสอยู่ก็เป็นเครื่องมือของกิเลสถ้าว่าท่านจิตใจผู้บริสุทธิ์แล้วขันห้าเนเป็นเครื่องมือของผู้บริสุทธิ์ไปแต่ใจของเราเนี่ยเป็น ผยังมีกิเลสอยู่หันหานเป็นตัวรองรับอตัวกิเลสของเราเนี่ยแหละตัวใจของเราตาเห็นรูปไปยังไงหูได้ยินเสียงไปยังไงมันก็เป็นกิเลสนะ่ะเป็นราคะบ้างเป็นโทสะบ้างเอแต่โมหานะั้นมันหลงอยู่แล้วคือตัวกิเลสตัววิชาอยู่ในนี่นี่น่ะมันก็ย้อนกลับมาหาตัวนี้แหละพอตัดทางนู้นออกแล้วมันก็ยังอยู่ที่ใจอะไรสิ อย่างที่เคยพูดให้ฟังย้อนกข้ามาหาที่ใจเออมันกระดูกเดือดดวงเดือน่นแะ เ, เราจะพูดไปที่ไหนก็ไหนก็ตามเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าแปดหมื่ีพันพระธรรมมาขันเนี่ยมันต้องย้อนมาหาจุดนี้แน่นอนมา ง, งั้นเถอะถ้าว่าพี่พูดจุดอื่นอรอบโลกจักรวาลเท่าไหร่มันยิ่งไกลไปเรื่อยถ้าย้อนกข้ามาหาจุดนี้มาหาใจมาหาตัวผู้รู้แล้วมันมีที่จบนะ เพราะว่ามันจะสังหารหรือมันจะทําลายหรือมันจะรู้แจ้งขึ้นมามันรู้จุดนี้เท่านั้นไม่ไม่ใช่รู้จุดอื่นการที่เราจะภาวนาตลอดถึงการอดนอนผอนอาหารการอดอาหารการทําความผักเพียงเดินจะกมหนังสมาธิภาวนาอะไรก็ตามคือจุดหมายปลายทางก่อนนี่แหละพอมันรู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งนอกแล้วมันตัดลงแล้วตัดสะพาน ตัวหลงออกแล้วเออมันกระจอะเข้ามาหาจุดนี้ท่านเองมาถึงจุดนี้เลยเหนนั่นหละถ้าหาเป็นอาวุธก็เป็นอาวุธที่ว่าทันสมัยด้วยว่าร้ายกาจที่สุดและจะโยนเข้าไปทาลายตัวเจ้าวัตจักรจุดนั้นเรียกว่าท่านจึงเปรียบเทียบเลยมหาสติมหาปัญญาไม่มีเออมหาปัญญาคราว่า ปัญไม่ใช่ปัญญาธรรมดามหาปัญญามหาเจติอย่างนั้นอ่อมหาสติด้วยมหาปัญญาด้วยจ่อลงไปจุดนั้นนั่นแหละมันจะสังหารมันจะทําลายลงได้นี่ถ้าปัญญาธรรมดาไม่มีทางอก่อนที่จะมันมหาสตีมหาปัญญาเนีเราก็ต้องฝึกฝนไปตั้งแต่เรื่องเบื้องต้นกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแต่ขนาดเรานั่งอยู่นี้แคบเดียวกับเผลอไม่รู้ว่ารอบโรคตระวนันไม่รูกี่รอบ อมันเป็นทางเดินของกิเลสทั้งหมดมันไม่เป็นทางเดินของธรรมแล้วเราจะเอาธรรมมาเออเป็นมหาสติมหาปัญญาอย่างนั้นได้อย่างไรเพราะนั้นต้องขุดหัดเป็นแต่บัดนี้แหละล้มลุกคุกคานไปเรื่อยเอเวลาล้มลงไปเป็นบทเรียนว่าเขาเตะมาอย่างไงกิเลสเตะมาอย่างไรมาเราจึงลม้มเอเอเวลาลุกขึ้นมาเราจะสู้ยังไงออเราต่อยยังไงเราสู้ยังไง มันก็เรียนไปเรื่อยเหมือนกันนั่นแหะโที่สุก็ตั้งตนได้แล้วกันนั่นแหละเป็นจิตใจเป็นสมาธิเดินปัญญาหรือเพียนาต่อไปเพราะฉะนั้นอยากจะให้อมู่ปกๆๆุรคงนั้ น, นตลอดถึงผมนั่นแหละช่วยๆกันเพียน า, นาเอาอย่างนี้แหะเหนที่ว่าถูกต้องถูกทางถึงจะเดินไม่ถึงก็ ต้องไปจุดนี้เน่งกุติกุดพยายามภาวนาอยู่เงียบๆการคบค้าสมาคมการคุกคีตีมงอย่าให้มีมีแตให้น้อยฝุดเป็นกัลเทศะพอเรามาปฏิบัติเรามาภาวนาเราไม่ได้มาเพื่ออย่าง อ, างอื่นเราไม่ได้มาเพื่อสตาะเตแสวงหาลาบยศสรรเสริญสุกแบบโลกโลกเขาเราหาแสวงหาสุก แ ส, สวงหาสุขในโมกขธรรมคือความ้นทุกข์สิ่งภายนอกอย่างที่พวกเราอยู่อยู่อย่างนี้ก็ไม่เห็นจะมีอะไรขัดหรือขัดตก บ, บกพ้่องปัจจัยชีก็ถ้่จะว่าไปตามแนวแถวของผูบาอาจารย์ยุคสมัยเก่าที่ท่านเล่าเล่าให้ฟังของเราเนี่ยก็รู้สึกว่าจะฟุ่มเฟือยหลือเฟือเกินไปนั่นแหละ แต่ถ้าว่าพวกเรายังไม่เพียงพออยู่ขนาดนี้ก็แสดงว่าในใจของเรามัคงมีส่วนเกินอะไรมากๆอยู่ควรจะปรับปรุงแก้ไขให้มันหยุดลดลงให้อยู่ในระดับอย่าให้มันเกินไปบังคับตัวเองนั่นแหะอย่าไปบังคับคนอื่นบังคับตนเองการอยู่การฉันการไปการมาการหลับการนอนการเป็นอยู่ทุกอย่าง ต้องรู้จักประมาณจะให้ครูบาอาจารย์บอกให้ทุกอย่างมันก็นเป็นลักษณะการกีดกันมันก็ไม่ถูกต้องตัวเองน่ะรู้ตัวเองถึงจะมีมากก็กินน้อยใช้น้อยกินน้อยเพื่อจะได้ภาวนานบางทีถ้าหวัดแก่เท่าชลาไปแล้วอันนั้นมันอีกส่วนหนึ่ง มันจะต้องไป ด, ดูแลบำรุงรักษาเพราะมันนั่นแหละก็ต้องดูอีกส่วนนึงอีกว่าเป็นยังไงอย่างที่หลวงตาท่านพูดพวกเราคงจะได้ยินท่านมาคราวที่แล้วท่านบอกน้ํามันพืชน้ํามันอะไรเนยมันไม่ส่งเสริมเลือด ก, กามวิจิฤตน้ํามันหมูไม่ได้ท่าไม่ให้สมัยเป็นผ้าหนุ่มเราเคือไม่เคยชันเลยพวกไข่พกนม เป็นตัวการสาหรับกระตุ้นกิเลสอันนี้ก็คือปติตัวอย่างไม่ใช่ว่าเราจะเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่ลิ้นแก่ปากเราก็ต้องเห็นแก่ธรรมพอเรามาปฏิบัติธรรมการดูการฉันเราก็ต้องสังเกตอย่างที่ลงตาเนะี่ะท่านเอาตัวรอดได้แบบเนี่ยท่นานไม่ได้หวงแหนเรื่องการดูฉันแต่ว่าผู้กินเข้าไปแล้วเออ ม, มันเป็นกระทําความผิดในสิ่งที่ไม่ควรจะทํา การนั่งกินเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อสังหารตนเองฉันเข้าไปเพื่อสังหารตนเองมันไม่เกิดประโยชน์ื่อทั้งที่เข้ามาปฏิบัติธรรมแต่เอากิเลสมาฆ่าตัวเองเพราะนั้นพวกเราให้ยิดนะในการเป็นอยู่ในการประพฤติปฏิบัติให้สังเกตตัวเองในเรื่องความสงบวัดของเราก็พยายามไม่ให้นมีเรื่องอะไร ยุ่งเยิงวุ่นวายคนไปเที่ยววัดอะไรก็ไม่เห็นมีให้อยู่ตามลำพังให้อยู่ในความสงบอย่างเต็มที่พระวัดป่าดูดูๆแล้วก็เราจะสอแสวงหาความสงบตรงไหนจุดใดก็ได้กุฏิลานยังมีเตรมีเหลืออยู่เราจะแยกไปภาวนากลางวัน ตรงไหนอย่างไรเดินจงกลมตรงไหนอย่างไรได้ทั้งหมดสองรู้จักทิกแทรรู้จักวมถนทางในการปฏิบัติตัวเองแต่เราสอบออกทุดงภูผาป่าไม้เรายังสดแสวงหารับภ า, าวนาได้แต่นี้เท่าทํำไมอยู่นี่เราก็ต้องหาสดแสวงหา ลานน้ำกุฏีน้ำทำความสะอาดก็นั่ ง, งภาวนาอย่างหลวงครูแวนผมไปอยู่กับท่านเสร็จนะเขาหน้าคิดนะท่านก็อายุเจ็ดสิบกว่าแล้วสมัยเกือบจะเข้าแปดสิบปั๊นะเจ็ดสิบห้ามผมไปอยู่ดีมีกับท่านคราวนั้นท่านทําความเปลี่ยนอริงตอนเย็นมาเนี่ยเข้าโดยยิงโงเสร็จแล้วตอนหัวค่ำประมาณเกือบค่ำหนึ่งพอมืดมิด ทางไม่เห็นทางดินโขมเลยก็เข้าเข้าร้านแหละไม่เข้าไอา้แค่เลยเข้ากระสอบเป็นกระสอบขวาครอบกับดินเลยและวก็มีเตียงขึ้นมาเลยก็ให้ท้าว่าเป็นแต่แค่ขึ้นมาสูงประมาณาเพียงเข่าเนี่ยจากนั้นก็ที่ท่านขึ้นไปนั่งเป็นสองพักออสองสามพักวนนสามพักพักหนึ่งเป็นข้างหลังของท่าน ท่านจะให้เอาผ้าคล้องของท่านไว้ดังหลังตรงหลังท่านเป็นผนังที่จริงอย่างนั้นกันที่นั่งของท่านมันก็มีอาสนะเท่านั้นเราก็ถามว่าหลวงปู่หลวงปู่ไม่นอนเมื่อตอนเชียหลวงปู่เฮ้ยนอนทำไมเอมันอยากจะหลับไปให้มันหลับเลยท่านทําความเปลี่ยนวิถีหนทางในการปฏิบัติตัวเองออกทุดง ภูผาป่าไม้เรายังหาภาวนาได้แต่นี่เท่าทํำไมอยู่นี่เราก็ต้องหาเสอะแสวงหาล า, านไหนกุฏิไหนหทําความสะอาดก็นั่งหภาวนาอย่างหลวงปู่แวนเดินจยกมังดังสมาธิภาวนาการที่เราจะภาวนาอตลอดถึงการอดนอนพอนอาหารการอดอาหารการทําความผักเพียนเดินจยกมังดังสมาธิภาวนาอะไรก็าตามคือจุดหมายปลายทางก่อนนี่แหละ พอมันรู้ถึงทั้งหลายทั้งพวงทั้งนอกแล้วมันตัดลงแล้วตัดสะพานตัวหลงออกแล้วเออ ม, มันกระจอะเข้ามาหาจุดนี้ท่านองมาถึงจุดนี้แลนะ้วนั่นแหละถ้าเป็นอาวุธก็เป็นอาวุธที่ว่าทันสมัยที่ว่าร้ายกาจที่สุดและจวโยนเข้าไปทําลายตัวเจ้าวัตสกัดสิบนั้นท่านจึงเกลียบเทียบเลยมหาสติมหาปัญญาไม่มี ปัญไม่ใช่ปัญญาธรรมดามหาปัญญามหาเติเราต่อยังไงเราสู้ยังไงมันก็เรียนไปเรื่อย เ, อยเหมือนกันนะผลที่สุด็ะตั้งตนได้แล้แบบนั้นแหละเป็นจิตใจเป็นสมาธิเดินปัญญาหรือพีนาต่อไป